ใครจะส่งกันบ้านเชิญที่ผ่านมามันก็วนๆแล้วก็จมๆไหลๆรู้บ้างไม่รู้บ้างอะค่ะหลวงพ่อแล้วเหมือนกับเราหมุนมันจะจนมันแล้วก็ขี้เกียจที่จะภาวนาแบบว่านั่งสมาธิอย่างเงี้ยค่ะจิตขณะนี้เป็นไงเพิ่งดูออกไหมแคว่งๆไกวๆรู้แล้วเป็นกลางกับมันไหมไม่เป็นไม่เป็นไปดูตรงที่ไม่เป็นนะ อะไรก็ได้รู้อะไรก็ได้นะจะรู้แล้วก็ถ้าใจเราไม่เป็นกลางให้มันให้รู้ที่ใจเราทำเนี่ยธรรมะทั้งหลายทั้งปวงจะฝ่ายกุศลน่ะุศล อ, อะไรเนี่ยหรือภพภูมิต่างๆเนี่ยใจเราถึงก่อนใจเราเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจเป็นประธานในธรรมทั้งปวงนั้นใจจะไปอบายไปสุคติไปนิพพานอะไรเนี่ยใจนั้นเรียนธรรมะเรียนก็ให้ถึงใจเลย ไม่ต้องอมความงั้นเวลาเราไปเห็นสภาวะใดๆเกิดขึ้นมันไม่ใช่ใจเราแต่ว่าพอใจเราไปรู้สภาวะแล้วเนี่ยใจมันไม่เป็นกลางขึ้นมามันยินดีมันยินร้ายขึใ้ให้รู้ทันตรงนีนะ้พอรู้ทันมากเข้ามากเข้าต่อไปใจจะค่อยเป็นกลางขึ้นแล้วก็จะรู้ทุกอย่างด้วยความเป็นกลางพอใจเป็นกลางใจจะไม่ดิ้นรนไม่ปรุงแต่งต่อเราจะเห็นขันนะ่ปรุงแต่ง เห็นจิตใจอะไรเงี้ยมันปรุงของมันไปนะแต่เราไม่ปรุงอะไรอีกแต่เมื่อก่อนพึ่งว่าพึ่งใจเป็นกลางกว่านี้คะเมื่อก่อนพอนานได้สู้ตรงนี้ไม่ได้เมื่อก่อนไม่ได้เห็นสภาวะเมื่อก่อนเพ่งไว้เยอะที่เป็นกลางมากกว่านี้เพราะว่าเพ่งเอาไวน้นิ่งกลางอย่างนี้นึกออกไหมอย่างนั้นใช้ไม่ได้เลย แต่ตอนนี้เหมือนใจเพิ่งมันไหลอะค่ะหลวงพ่อพอมั น, มน<ด>เห็นงงเห็นปุ๊บแล้วมันคือโทสะเนี้ยมีอยู่ช่วงหนึ่งมันแรงแล้วก็เบาไป<ม>ช่วงนี้มันกลับมามีมากอีกเพราะว่าพื้นเดิมเรายังมีโทสะอยู่โทสะไม่ได้หายไปไหนแต่เดิมเราเก็บกดกดไว้ไม่แสดงออกมาตอนนี้เราปล่อยให้ไหลรู้สึกไหมเราไม่ได้บังคับเขาไหลไปเราก็เห็นเขาปลุงโทสะขึ้นมาเรารู้ไปได้หน้าที่เราตามรู้ลูกเดียวเลย กิเลสเนี่ยมันลงทุนอนุสัยเรามีสันดานนะสันดานสันดานเราขี้โมโหจงงเงี้ยสันดานตัวนี้เรื่อนุสัยตัวนี้มันปรุงโทสะขึ้นมาถ้าเรารู้ไม่ทันจิตใจเราคล้อยตามโทสะนะมันลงทุนแล้วมันกําไรอนุสัยขี้โมโหจะยิ่งแรงขึ้นเรื่อยเแต่ตอนนี้เราไม่ได้ไปกดไว้เฉยเยด้วยมันผุดขึ้นมาถ้าเรารู้เฉยเฉยนะมันลงทุนแล้วขัดทุนใจเราไม่คล้อยตามโทสะนะรู้รูปเดียวเลย มันจะค่อยๆเหี่ยวแห้งลงไปแต่ส่วนมากมันจะคลอยไปแต่ถ้าใจแข็งๆนิดรู้แ ล, แล้วแล้วเป็นกลางกับโทสะด้วยโทสะผ่านมาเนี่ยนะเพิ่งต้องทำใจตัวเองเหมือนใจเราเป็นเรือโทสะเหมือนน้าไหลผ่านข้างเรือไปอย่าไปต้านกับน้ำอย่าเอาใจเราไปต้านกิเลสนะเราปล่อยให้กิเลสไหลผ่านไปดูไปผ่านไปทีก็ผ่านมาข้างหน้าั้งนี้ทีก็ผ่านไปท้งนี้ แต่ว่าที่เราเหนื่อยหรือว่าเราหมดแรงเนี่ยเป็นเพราะว่าเร า, าเราไม่ยอมรับเราไม่ยอมรับเราอยากให้ดีอยากให้สุขอยากให้สงบเราไม่ได้อย่างอยากโทรศัก็เกิดอีกแต่ถ้าเรายอมรับนะอะไรก็ได้กิเลสจะมาเหรอม า, อมาแล้วเธอก็ผ่านไปเองแหละฉันไม่ต้องไปทําอะไรกับเธอหรอกตอนนี้ใจเพิ่งไม่ได้ไปกดเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนกดเอาไว้นะเหมือนไม่มีโทรศัพ์ พี่จริงเหมือนเอาก้อนหินไปทับหญ้าไว้วันนี้เรายกก้อนหินออกแล้วหญ้าก็งอกให้ดูกิเลสทํางานขึ้นมาให้ดูมีหน้าที่รู้ลูกเดียวเลยมันทํางานแล้วเหมือนมันเป็นหญ้างอกเราก็ตัดหญ้างอกก็ตัดตัดไปเรื่อยนะหญ้าค่อยเหี่ยวแห้งไปเองมันหมดอาหารกิเลสมันก็หมดอาหารเหมือนกันแต่ถ้ากิเลสทํางานขึ้นมาแล้วเราคล้อยตามคล้อยตามกิเลสแข็งแรงขึ้นได้อาหาร นั้นหน้าที่ของพึ่งเนี่ยไม่ใช่คล้อยตามกิเลสไม่ใช่ต่อต้านกิเลสหน้าที่ของเรากิเลสมารู้ว่ากิเลสมากิเลสไปรู้ว่าวกิเลสไปกิเลสมาแล้วใจไหลเข้าไปรวมกับกิเลสรู้ว่าใจมันไหลเข้าไปไม่ต้องอยากให้หลุดออกมานะกิเลสมาแล้วใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างงกิเลสมาแล้วก็รู้ทันใจตัวเองไวเราภาวนาต้องเอาให้ถึงจิตถึงใจนะต้องให้ได้ถึงจิตถึงใจตัวเอง อาภาวนาที่ผิวผิวเปลือกเปือกกิเลสอยู่ในใจเร า, าเราดูที่ผิวผิวเปลือกเปือกเนี่ยกลายเป็นภาวนาสนองกิเลสแบบไม่รู้ตัวก็ได้นะเช่นกิเลสมาแล้วก็สู้มันสู้มันชนะไปเรื่อยๆนะมันรู้สึกกูเก่งพอกโกรธขึ้นมาก็โกดนาอโกดธเนาพุโทโธพุโทโธแผ่เมตตาอะไรเงี้ยควาโกรธ ด, ดับไปก็กูเก่งใช่ไหมนะสนองกิเลสนะเกิดอัตตาแรงขึ้นแรงขึ้น งั้นภาวนาเราไม่ได้คล้อยตามกิเลสไปไม่ได้ต่อต้านกิเลสเลยอย่างน้ําไหลในแะม่น้ำนะเอามาทําไฟฟ้าไม่ได้นะไหมมีกั้นเขื่อนก็กระแสน้ําถูกกั้นนะมันเกิดพลังงานมหาศาลขึ้นมากิเลสเนะี่ยปล่อยให้มันไหลไปเรื่อยๆไม่มีแรงหรอกลงเราเอาใจเราไปขวางกิเลสเมื่อไหนนะมันมีแรงทําลายล้างสูงไม่จะไปกลัวมันในขณะเดียวกันก็จะไปเชื่อมันมันมาแล้วรู้มันไป ภาวนาดีขึ้นกับบอกภาวนาแย่ลงแล้วเนี่ย <c oughs> พขาก็ที่เจ้าถึงบอกว่านะจิตเป็นกุศลรู้ว่าเป็นกุศลนี่ดีเลิศจิตเป็นกุศลยังไม่รู้ว่าเป็นกุศลใช้ไม่ได้ <c oughs> กลับไปคิดว่าไม่ดีเดี๋ยวจะหาทางเก็บกดอย่างอื่นต่อไปอีกนะ <c oughs> คิดว่ามันไหลลงอะคะอ่ะให้มันไหลไปเราไม่ได้ไหลาตามมันไปเราดูมันให้มันไหลไปให้หมดหมดนั้นไปเราเป็นแค่คนดู อ่ะต่อไปเปิน้นของเปิ้นช่วงหลังจะเห็นทุกข์เยอ ะ, ะอ่ะหลวงพ่อตอนแรกก็คิดว่ามันเห็นทุกข์เพราะว่ามันไปคิดแต่จริงจคิดมันไม่เกี่ยวกับทุกข์ ม, กมันทุกข์เพราะว่ามันไปยึดนะคะใช่อืมแล้วเปิ้ลก็บังเอิญไปอ่านสัมภาษณ์ของพระไพศาลคือท่านพูดเรื่องบ้านเมืองว่าเออคนเรามันเป็นศัตรูกันเพราะว่ามันคิดเห็นไม่ตรงกันแต่คือเปิ้ลย้อนกลับมาดูตัวเองว่าคือหลังๆเนี่ยเปิ้ลจะรู้สึก ไม่ชอบตัวข้างในเปิ้ลนะคะก็เหมือนจะต่อต้านเขามันก็เลยทุกออคือจริ ง, รงๆเปิ้ลไม่จําเป็นต้องเกลียดเขาอ ะ, ะ่ะไม่ต้องเกลียดนะเราไม่ได้รักเราไม่ได้เกลียดเรารู้ลูกเดียวถ้าจิตเกิดรักเกิดเกลียดให้รู้ทันแค่นี้นเองเพอเห็นอย่างนั้นมันก็คลายลงก็ก็คือเขาจะชั่วก็ก็ช่างเขาเพราะคะ่ะดีที่ทางนี้ส่งกันบ้านไปยังยังเหรอไปนู่นละเอาหมอไปก่อนก็ได้ไดค่ะ วันนี้หลงพเมาเมาไงไม่รู้ไปโน่นบ้างวันนี้มันช่วงนี้คือรู้สึกว่ามันเหน็ดเหนื่อยกับโลกเยอะค่ะแต่ว่าวันนี้มาวัดแล้วรู้สึกว่าจิตมันค่อยมีกําลังขึ้นมามช่วงตอนที่กลับจากวัดหลวงพ่อคาวก่อนเนี่ยค่ะคือพอที่เรียนหลวงพ่อว่าจิตมันแยงแยงกายเนี่ยกลับไปมันเห็นอยู่สองสภาวะคือช่วงเวลาทํางานตอนตอนกลางวันเนี่ยค่ะจะรู้สึกว่าเหมือนโลกที่อยู่รอบๆบเนี่ยมันไม่มีอยู่จริง มันรู้สึกมันเหมือนมันก็อยู่ๆไปอย่างนั้นเนี่แต่ว่าเพราะตอนกลางคืนเนี่ยพอร่างกายมันหลับได้เต็มที่ปุ๊บมันจะตื่นขึ้นมาทันทีมันตื่นแล้วก็มีความกลัวเกิดขึ้นคือหนูก็ดูตามดูความกลัวดูอยู่ตั้งหลายวันหนูก็เอ๊ะมันกลัวอะไรหนูก็ดูจนกระทั่งมันเห็นอย่างหนึ่งว่าอ๋อมันกลัวความทุกข์จากการมีร่างกายพอหนูเห็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยหนูก็เห็นจิตมันมีความรีแอคชั่นอยู่2อย่างอย่างแรกมันคือมันมีความรู้สึกไม่ชอบก่อนพอไม่ชอบแล้วสักพักมันก็มีความร้าร้อนอยากปฏิบัติ แล้วก็พดูตามไปเรื่อยๆเนี่ยอยู่ๆมันก็หลุดออกมาหลุดออกมาเป็นคนดูอยู่ไกลๆทีนี้รู้สึกว่าอารมณ์กับจิตมันไม่ค่อยเข้ามาหากันละช่วงนี้ช่วงนี้มันเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วก็พอดูดูไปมันเจริญอยู่สักสามี่วันปุ๊บมันก็เสื่อมให้เห็นเลยว่าหายไปเลยดีแล้วก็เห็นจิตมันเริ่มทํางานได้เองคือหนูเห็นตอนที่มันเสื่อมเนี่ยอยู่จิตมันก็ไปบริการพุทโธเองทั้งที่ปกติหนูเป็นคนไม่ได้ไม่ได้ใช้พุทโธเป็นวิริหารธรรมอะค่ะ มันเข้าไปเกาะพุโทโธเหมือนกับคล้ายๆคนเก <c oughs> าะทุ่นไม่ให้จมลงไปใน <c oughs> ใ, ในในน้า <c oughs> อย่างเงี้ยค่ะพอเกาะไปสักพักมันก็ค่อยๆฟื้นขึ้นมาหนูก็เลยอ๋อคืออย่างนี้คือมันมันเห็นว่ามันทํางานได้เองแบบนี้คือยังอยู่ในถูกต้องอยู่ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ถูกต้อง <c oughs> ถูกต้องภาวนาได้ดีนะด <c oughs> ีมาทางนี้ก่อนะะกันแล้วกันพวกแถวหน้าเดี๋ยวเสียใจอ่ะเบอร์สามสิบอ๋วันนี้ซ้อมมาดีด้วยเดี๋ยวไม่ได้ส่งกันบ้าน อ่าวไปก็ช่วงนี้เริ่มเริ่มเห็นจิตเขาเกิดดับคือเริ่มยอมรับมากขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีความสงสัยในในพฤติกรรมของเขาอยู่เหมือนกับว่าเห็นเกิดดับแต่ว่าบางทีมันก็เห็นเหมือนกับมันมันก็ยังคงเหมือนกับว่าต่อเนื่อยกใหม่ยกยใหม่เยี่ยงๆอออย่างนี้ก็เหมือนกับว่าเห็นเกิดดับแต่บางทีมันก็ดูเหมือนว่ามันมันไหลไปในจังหวะที่มันไหลมันก็ไม่เห็นเกิดดับอก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้ว ตรงที่ไหลไปมันก็เปลี่ยนสภาพทีแรกไม่ไหลตอนนี้ไหลแต่มันไหลตอนนู้มันไหลแบบไหลเรามีหน้าที่ดูอย่ากระโจนลงไปนะไม่ต้องเกิดดับตลอดเวลาก็ได้สันติมันยังสืบเนื่องอยู่ก็รู้มันไปมันขาดก็รู้ว่ามันขาดะรู้มันอย่างที่มันเป็นไม่ต้องดิ้นรนจะต้องรู้อย่างน้นอย่างนี้นะครับเท่านี้ครับดีภาวนาดีตอนแรกก็เตรียมกันบ้านมาจะ บอกหลวงพ่อนะคะแต่ต่อหลังก็รู้สึกว่าเอ๊ะความรู้สึกที่เราจะบอกหลวงพ่อที่เรารู้เนี่ยเดี๋ยวอาจจะเกิดขึ้นอีกก็ได้ก็รู้ไปเรื่อยรู้ว่าเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับเราก็เลยไม่มีอะไรจะถามหลวงพ่อะคะ่ะท่ามันต้องอย่างนั้นนักปฏิบัติอย่าถามเยอะพวกถามมากได้เพราะอะไรรู้ไหมเราคิดมากถ้าไม่คิดมากไม่มีคําถามหรอกก็เห็นอยู่แล้วต่อหน้าต่อตาว่าไม่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับทั้งสิ้นก็เห็นเท่านี้ก็พอแล้วทําไมจะไม่พอใจอีก ธรรมจริงๆเห็นเท่านี้พอแล้วล่ะดีไม่ต้องถามเยอะหลงล้รู้สึกไหมไม่ถามก็บอกนะคราวที่แล้วอะค่ะพระอาจารย์บอกว่าจิตไม่ตั้งมั่นก็หนูก็ไปฝึกเหมือนกับในรูปแบบมากขึ้นแล้วก็เหมือนกับพยายามไม่ติดเพ่งอะค่ะเพราะช่วงแรกก็ปิติดเพ่งดีแล้วก็ตอนนี้ก็เหมือนว่ามันรู้ได้ เป็นกลางมากขึ้นแต่มีความรู้สึกว่ายังอยากดีอยู่อ่าดีที่รู้ตันนะใช่ได้รู้ว่าอยากดีว่าพอเห็นฟุงงซ่านก็ไม่ชอบหรือว่าจิตคิดไม่ดีก็ไม่ชอบอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็เห็นแค่ดับแต่ว่ายังไม่ได้สามารถย้อนไปที่เกิดได้ว่าจิตเนี้ยไม่ต้องไปสนใจรู้เท่าที่รู้ได้ไม่ต้องค้นกว้านะยิ่งค้นว้ายิ่งเสียเวลาค่ะหนูเฉพาะหน้าไปแต่หนูมือนรู้สึกว่าการที่ให้มันรู้ เป็นกลางได้นี่เหมือนก็ค่อนข้างยากเหมือนกับมันต้องไม่เพ่งไปมันก็ใช่เหมือนกับว่าไปส่งเข้าข้างในบางทีก็เป็นคนข้างใ น, นใช่ใช่เพราะงั้นตอนมหัดเบื้องต้นหลวงพ่อถึงจำจีจจำชัยพวกเราไม่เผลอไปไม่เพ่งไว้คไม่ส่งนอกไม่ส่งในรู้ไปรูไป้ไปเล่นเล่นรู้ไปสบายสบายรู้แบบมันรู้เองเราเรียนจนกระทั่งเราได้ตัวนี้ขึ้นมาเรามีจิตรู้ที่เป็นกลางจิตรู้ที่เกิดขึ้นเองรู้สบายสบายไม่เผลอไม่เพ่ง เมื่อมีจิตตัวนี้แล้วเรียกว่าเรามีสัมมาสมาธิจิตนี้มีสัมมาสมาธิต่อไปอะไรเกิดขึ้นในกายในใจสติรู้เองในขณะที่สติรู้สภาวะที่เกิดขึ้นนั้นจิตก็ยังตั้งมั่นเป็นกลางนุ่มนวลอ่อนโยนอยู่สบายๆอยู่ยิ่งเป็นคนดูแบบไม่มีส่วนได้เสียแล้วปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นว่าสภาวะทั้งหลายผ่านมาแล้วผ่านไปทั้งหมดเลยนั้นจิตจะเกิดปัญญาได้จิตต้องมีสัมมาสมาธิ ใจที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูที่เป็นกลางมีความสุขอยู่อย่างนี้แหละข่าวแรกหนูไม่เข้าใจเรื่องสัมมาสมาธิเพราะมันก็เลยไปติดเพ่งหมดเลยนั่นมันมิจฉาสมาธิไม่ต้องตกใจหลพ่อจะบอกความจริงให้เขาติดกันทั้งประเทศหลย <c oughs> นักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยนะค <c oughs> ือนักเข่งนี่พูดแบบสุภาพนะ <c oughs> คนที่รู้แล้วเป็นกลางรู้แล้วตื่นแล้วเบิกบา น, นไม่ถึงเปอร์เซนต์หรอกแทบจะไม่มีในยะเลย บางทีเข้าไปสำนักหนึ่งสำนักหนึ่งวัดหนึ่งวัดหนึ่งอาคนรู้สึกตัวสักคนหนึ่งอย่างยากเลยเพราะเราเราไม่ได้เรียนธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเราเรียนแต่ธรรมะที่อาจารย์สอนอาจารย์สอนให้เดินท่านี้ให้นั่งท่านี้ให้หายใจอย่างนี้อะไรเงี้ยเราก็ทำตามตามไปเรื่อยหวังว่าวันหนึ่งจะดีมันส่วนทางกับที่พระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าไม่ได้เริ่มสอนว่าทํำยังไงแล้วดีท่านสอนสิ่งที่ผิดสองอย่าง ธรรมจักกับปวัตตนสูตรเทศานาการแรกเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นบอกว่าการปฏิบัติที่ถูกเป็นยังไงแต่เริ่มต้นบอกว่าสิ่งสองสิ่งที่ผิดเนี่ยไม่ให้ทําอันหนึ่งชื่อกามสุขาริการุโยกอันหนึ่งชื่ออัตตะกิลมัฐานุโยกนี่ภาษาแขกนะนี่คนไทยพออ่านพุทธประวัติถึงตรงนี้เราจะไกว้เขว์กามสุขาริการุโยคเราก็อ่านพุทธประวัติมาว่าเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเป็นเจ้าชายเสพตามมากอยู่ในวังของกินอร่อยเสื้อผ้าสวยสาวสา ว, ส, าวสวยนี่ เรื่องหลงอยู่ในกามเราคิดว่าเป็นเรื่องทางร่างกายกามตัวสําคัญกามทางใจเรียกว่ากามมาธรรมอยู่ในวัดก็มีกามมาธรรมได้นะเช่นอยากกินโน้นอยากกินนี่ น, นี่กามพอใจหลงไปในกามใจก็หลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดหลงเพลินไปขณะที่ใจหลงในกามคือหลงในอารมณ์ที่เพลิดเพลินมันก็ลืมกายลืมใจตัวเองทํำวิปัสสนาไม่ได้นั้นเพราะฉะนั้นกามไม่ใช่แค่เรื่องทางร่างกายนะ ตัวสำคัญคือกรรมทางใจที่เรียกว่าการมมาทำนี่แหละพอเรามาได้ยินว่าอัตตาคิริมัฐานุโยคไม่ได้ให้ทำํำเราก็มาอ่านพุทธประวัติเอพระพุทธเจ้าไปทรมานกายใช่ไหมยืนขาเดียวอดอาหารกำมือ่จนเล็บงอกแทงเข้าไปในเนื้อก็ยังทนอยู่เราก็เลยคิดว่าอัตตาคิริมัฐานุโยค ก, การทําตนให้ลําบากเนี่ยเป็นแค่ทรมานกายแท้จริงแล้วมันทรมานใจนะ ทรมานใจมากกว่าทรมานกายทันทีที่คิดเรื่องการปฏิบัติเราจะสำรวมรู้สึกหมมันคือการกดใจเราแล้วมันทรมานไหมเทียบกับรู้นะเมื่อเรากดใจของเราไปอย่างนี้มันทรมานตัวเองนะเมื่อเราปล่อยใจเราตามกิเลสใจของเราก็ชุ่มด้วยกิเลสเรียกว่าความสุขหลริการุโยกเมื่อเรากดข่มจิตใจของเราเนี่ยจิตใจของเราก็แห้งผากหาความสุขไม่ได้ ทรมานตัวเองเรื่องอัตตกิลมถานุโยกเนี่ยพระท้าเจ้าแสดงธรรมจักขึ้นมานะคนฟังรู้เรื่องมีคนเดียวคือพระกวนธัญญะอีกสี่องค์ก็คงจะฟังแล้วเออทรมานร่างกายไม่ทำละหารู้ไหมว่ายังทรมานใจอยู่เนี่ยองค์ท่านยุเทศซ้าวันที่สองนะพระกวนธัญญาพระวัปปะเห็ไหมเข้าใจวันที่สพระพัทยะวันที่สี่พระมหานามะวันที่ห้าเนี่ย ฟังห้ารอบนะพระอาสเชีถึงเข้าใจนี่มือระดับพระสาวกที่บำเพ็ญบารมีมามากนะฟังตั้งห้าครั้งถึงรู้เรื่องงั้นเราฟังครั้งเดียวไม่รู้เรื่องไม่แปลกนะฟังร้อยครั้งยังไม่รู้เรื่องก็อย่าท้อใจฟังอีกฟังไปฟังไปวันหนึ่งมันปิ้งขึ้นมาโอ้มันเป็นเรื่องทางใจนี่เองกรรมาฐานเป็นเรื่องทางใจเรานี่แหละมันอยู่ที่ใจเรามีสติหรือใจเราไม่มีสติใช่ไหมสติไม่ได้อยู่ที่ร่างกายสติอยู่ที่ใจ ใจเรามีสัมมาสมาธิหรือไม่มี ส, マสマัมมาสมาธิสัมมาสมาธิไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย <c oughs> ใจเรา <c oughs> มีปัญญาหรือไม่มีปัญญาปัญญาอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเราภาวนาเข้ามาให้ถึงใจให้ได้เลยสติสมาธิปัญญามอยู่กับใจนีน่แหละจนกระทัง่งเกิดวิมุตต์ใจก็เป็นผู้หลุดพ้นนะไม่ใช่ร่างกายหลุดพ้นร่างกายจะพ้นไปไหนได้ร่างกายจะต้องแก่เจ็บตายไปตามธรรมชาตินี่ใจสําคัญนะเพราะงั้นใจเราไม่สุดตรงสองข้าง รู้เป็นกลางไปหลงไปเรารู้ม้วนกับเข้ามาเพ่งไว้ข้างในเรารู้เนี่ยมว้วนเข้ามาข้านรู้สึกไหมอ อ, อยา่าไปม้วนหน้าไม่ใช่ม้าน้ำมว้มวนอันนี้ไม่ทราบว่าหนู อ, อดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลย <c oughs> แถวหน้าเนี่ยใช้ได้ทั้งแถวเลยมีคนผวาไปคนแล้วคุ ณ, คณหนึง่งใช้ได้ทั้งแถวแล้วพอสบตาปึกแข็งเลย <c oughs> <c oughs> เป็นม้าน้ำม้วนหาง คือหนูก็เป็นฝาแฝดกับเก๋ค่ะก็ปฏิบัติมาเนี่ยเหมือนเหมือนกันแล้วก็ช่วงวิสาข์เนี่ยหนูก็ไปปรีวิเวงมา3 4วันคนนี้พอกลับมาบ้านเนี่ยคนก็เยอะเลยค่ะในบ้านมันก็วุ่นวายค่ะอาจารย์คนนี้หนูก็เกิดสภาวะหนึ่งที่หนูอยู่ๆเห็นเป็นเหมือนกับฉากภาพยนตร์นะคะคือเหมือนกับว่าหนูจิตหนูไม่ได้ไปผูกกับ<อ>คนตัวละครในภาพย น, น, นตร์แอตอ่างนนั้แต่ว่าหนูเหมือนกับว่าเห็นสภาวะแค่แป๊บเดียวค่ะแล้วแค่ไหนแค่นั้นค่ะแป๊บเดียวแล้วก็ไม่ ไม่นั่นแต่มันเป็นสวาวาที่หนูเพิ่งรู้สึกว่าการที่จิตไม่ไปผูกกับคนทั้งๆ ท, ที่เป็นคนในครอบครัวเนี่ยมันเป็นยังไงเงี้ยค่ะ<ม>แล้วก็หนูนก็พยายามฝึก เ, เป็นสมถะค่ะก็ไปเรียนกับอาจารย์อีกท่านหนึ่งก็คือเพิ่งจะทราบว่าการฝึกสมถะที่แบบมีสติรู้พร้อมตลอดสายเนี่ยมันเป็นยังไงมันก็คือหนูก็คือพอดีฝึกกันแบบอาจารย์ดูวราจิตเงี้ยค่พะพอดีบางทีหนูแบบปติดเพ่งอย่างเงี้ยค่ะติดเพ่งแล้วอาจารย์ก็จะบอกว่าหนูเพ่งไปหนูถึงเพิ่งบางทีหนู เพ่งแบบไม่รู้ตัวค่ะพระอาจารย์แล้วก็เพ่งจนเกือบจะเป็นลมตอนตอนนั่งอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เหมือนกับใจเขาคให้ค ล, คลายออกมาแล้วก็พอในชีวิตประจําวันหนูก็ใช้วิธีแบบของพระอาจารย์ก็คือตามรู้ตามดูไปเรื่อยๆองเค่ะบางทีหนูก็เห็นกายบางทีหนูก็เห็นจิต ม, มันก็เริ่มเหมือนกับเห็นแยกมากขึ้นระหว่างกายกับจิตเนี่ยค่ะใช้ได้นะหลายคนที่ภาวนาอย่างไปดูท้องพองยุบเนี่ยจิตไหลไปอยู่ที่ท้องใช้ไม่ได้กายกับจิตไปรวมกัน บางคนสอนให้รวมด้วยนะจะหยิบของเนี่ยให้ให้จิตรวมอยู่ในมือเลยห้ามไปที่อื่นมันคือการเพ่งรูปเพ่งรูปถึงที่สุดจะได้ฌานสี่ฌานสี่แล้วใจไม่ชอบนามนะจะพลิกไปเป็นพรหมลูกฟักจิตจะดับะจะหมดความรู้สึกนั้นต้องรู้สึกตัวไว้เห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งเห็นจิตอยู่ส่วนหนึ่งให้แยกกันไปเรื่อยๆมันเหมือนเราดูฟุตบอลดูฟุตบอลดูอยู่บนอัศจรรย์ใช่ไหมนวดเห็นร่างกายมันวิ่งอยู่นู่นใจเราเป็นแค่คนดูอยู่ห่างๆแต่อย่าดึงนะ อย่าจงใจดึงให้ห่างถ้ามันไหลเข้าไปก็รู้มันหลุต่อมาก็รู้แต่ระหว่างนั่งสมาธิเงี้ยบางทีหนูจะสมมวเกิดจิตแบบเนี้หนูจะเห็นเป็นสัญญาขึ้นมาก่อนแล้วก็พอเหมือนกับมันทันมันจะดับก่อนเนี้ยคะแต่เกิดไม่ทันเนี้ยมันจะมีสังขารปรุงต่อเนี่ยค่ะดีแล้วดูไปอย่างเงี้แหละยังบังคับเยอะไปนิดนึงคนนี้ปล่อยได้เยอะกว่าแฝดคนนี้ปล่อยได้เยอะคนนี้ยังเกาะไว้เยอะกว่าเวลาเราก่อไว้ใจจะแข็ง ไม่มีความสุขจริงรู้สึกใจมันจะดิ้นรนน้อยลงแล้วก็ เ, เห็นความโกรธบ่อยแต่ว่าตอนหลงคิดนี่ยั ง, ยยงไม่ค<ย>่อยเหตอนตอนหลงคิดนี่ยังไม่ค่อยเห็นครับเออไม่เป็นไรเห็นเท่าที่เห็นได้ตรงที่โกรธจิตมีโทสะโทสะเป็นกิเลสหยาบที่ดูง่ายหลงคิดเป็นโมหะฟุ้งซ่านดูยากกว่าเราหัดใหม่ๆเราเห็นโทสะไปก่อนใช้ได้ต่อไปเราแค่ขัดใจเล็กๆเราก็เห็น แล้วไปเราก็เห็นราคะทีแรกก็ต้องราคะแรงๆก่อนเช่นเกิดความใคร่รุนแรงแล้วเห็นอย่างงี้ต่อไปนะแค่ใจอยากดูก็เห็นแล้วนี่ก็ราคะเหมือนกันนะอย่างเช่นได้ยินเสียงอะไรแกล้งข้างหลังเนี่ยมันอยากดูแล้วว่าอะไรใจหันมันหันไปด้วยความอยากมันจะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นแล้วไปใจมันมัวไปนิดหนึ่งเราก็เห็นแล้วมีโมหะมองมองไปรู้อารมณ์ได้ไม่ชัดเจนหรือบางทีรู้ชัดเกินไป ก็ใช้ไม่ได้อีกมีโลภะแทรกจงใจไปรู้เนื้นการภาวนาเบื้องต้นก็เห็นของหยาบไปก่อนแล้วค่อยละเอียดเองอย่าพยายามทำให้ละเอียดนะไม่ทำอะไรเกินจากรู้นะเคยรู้จักหลวงปู่มั่นไหมได้ยินชื่อไหมหลวงปู่มั่นสอนนะบอกว่าทำความสงบมากเนิ่นชา้าพิจารณามากฟุ้งซ่านหัวใจสำคัญของการปฏิบัติคือการมีสติในชีวิตประจวัน เพนั้นยืนเดินนั่งนอนนะรู้สึกไปเรืยแต่ไม่ใช่เพ่งยืนเดินนั่งนอนถ้าเรารู้กายแล้วก็เหมือนเราดูฟุตบอลเห็นร่างกายมันเดินไปเห็นร่างกายมันวิ่งไปใจเราเป็นคนดูต่างหากไม่ถลําลงไปถ้าจะดูจิตดูใจเราเห็นกีเลสวิ่งไปวิ่งมานักฟุตบอลคือกีเลสวิ่งไปวิ่งมาเราดูอยู่ ห, าห่างๆไม่เกี่ยวกันดูไปสบายๆเรียกว่าเราแยกรูปแยกนามไปเรื่อยแยกกายกับใจแยกเรจากกัน จริงๆแล้วหลวงพ่อถึงบอกไงกรรมฐานอะไรก็ใช้ได้ถ้าทําถูกนะถ้าทําผิดกรรมฐานอะไรก็ผิดเหมือนกันแหละสำนักไหนก็ผิดอย่างเดียวกันแหละแต่ถ้าจับหลักที่หลวงพ่อบอกได้นะจิตเกิดสัมมาสมาธินะกรรมฐานอะไรก็ใช้ได้ไม่เกี่ยงสำนักนะที่วัดหลวงพ่อเลยมีทุกสำนักอะยกเว้นสำนักทรงเจ้าอะไรนี้ไม่มีหมอเมื่อกี้ดีกว่านี้อันนี้ทื่อๆไปแล้วไปกดมัน S <S ไม่เห็นแล้วรู้ยังว่าไปกดไหมยังไม่รู้สึกเอาปล่อยปล่อยไม้ไปก่อนวันนี้ฟรุงซ่านด้วยกับเนืรู้สึกไหมตัวนี้การตะกี้ก็ต่างกันหน่อยหนึ่งแล้วเราอย่าไปปรุงอะไรขึ้นมาเรากลัวการปฏิบัติเราก ด, ดไปเนี่ยเนี่เนี่ยกดละตรงนี้กดละดูออกไหมพยายามเข้าไปแทรกแซงน ห, นหนูเห็นว่ามันเหมือนขยับตัวเวลาเราออกแรงขยับตัว มันไม่ใช่ขยับตามนันจะขยับให้มันนิ่งๆจะไม่ให้มันหนีไปยังไม่ค่อยดูไปใจลอยแล้วเบอร์สามสิบเอ น, นี่ก็ลอยเหมือนกันลอยทั้งแถวนะลอยทั้งแถวเลยอ่ะคุหนึ่งมีมีฟุ้งซ่านเยอะหน่อยอะคะ่ะวันนี้แล้วเลยไปกดไปเลยไปกดเอาไว้อีกแต่ว่ามันไม่ไม่แรงมากใจถึงหน่อยให้มันฟุ้งไปแต่มั น, <ป>มนก็ก็กดแบบเบาๆแผ่วๆอย่างจะแก้ตัวอีก <laughs> พระพุทธเจ้าบอกว่าสร้างพบนะพพเล็กพบน้อยก็เหมือนอุจจาระนะก้อนเล็กก้อนใหญ่ก็ไม่น่ารับประทานอย่างเงี้ยกดเล็กๆก็สร้างพบขึ้นมาเหมือนกันอ้าวแล้วคนโน้นล่ะส่งกันบ้านหมอ้หน่อยนี่ก็ดูมันไหลๆไปใช่ได้ได้นะเพิ่งจะเริ่มกดเดี๋ยวนี้ี่ใช้ได้ละอ้าเบอร์เก้าสิบก็ นั่งๆไปก็มีบางช่วงที่กดบางช่วงไม่กดธนะคะมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่อยๆค่ะหลวงพ่อวันนี้คนภาวนาเก่งๆ เ, งเยอะนะในห้องเนี้ยดีก็บางทีบางบางขณะที่แบบเราไปรู้อย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อจะไปเห็นว่าเรา เ, เหมือนกับว่ายินดีหรือว่าไม่ยินดี อ, อะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละดีแล้วรู้ทันมันไปไม่ต้องอยากเห็นน ะ, ะมันรู้เอง มันเหมือนบางครั้งมันไปเฉลียวใจแต่บางครั้งเหมือนเราไปคิดอย่างนั้นใชึงค่ะบางทีมันมันมีสองอย่างค่ะพอมันจะต้องเฉลียวใจขึ้นมาเองมันเห็นเองถ้าสติแบบจงใจทําให้เกิดนะมีกําลังอ่อนเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นกุศลนั้นเลยมี2งงานเป็นกุศลที่เกิดขึ้นเองกับเป็นกุศลที่น้อมให้เกิดจิตที่เป็นกุศลที่เกิดเองมีกําลังกล้าเป็นกุศลที่มีกําลังกล้า เอาไว้ทําวิปัสสนาดีจิตที่เป็นกุศลที่น้อมให้เกิดมีกําลังอ่อนเอาไว้ทําสมถะอย่างเวลาเราจะคิดถึงสมถะรู้สึกไหมเราต้องจงใจใช่ไหมน้อมใจไปรู้อารมณ์เดียวนี้จงใจทําแต่วิปัสสนาไม่จงใจกําลังเผลอๆ อ, อยู่นี่สติระลึกขึ้นได้เองว่าอ้าวจิตหลงไปละมันรู้สึกขึ้นเองเนี่ยเมื่อกี้หลงไปละกดละลดลดกัน การเพ่งท้องไปนะลดล ด, ลดลงไปนิดนึงเลิกได้เลยก็ดีเลิกไปชั่วคราวก่อนอเออเพ่งอะไรก็ลดไป น, นะลดไปรู้เล่นเล่นเพ่งแรงไปเอาลมเป็นแบ็คกราวไม่ใช่เอาลมเป็นตัวหลักเอาใจเป็นตัวหลักเอาลมเป็นแบ็คกราวเอาใจเป็นหลักงั้นใจเคลื่อนไหวไปเรามีลมหายใจแผ่แผ่แค่รู้เท่านั้นแหละ แต่รู้ทันใจไม่ใช่รู้ลมงั้นใจเป็นตัวหลักนะทําทั้งหลายใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสําเร็จได้ด้วยใจไม่สําเร็จได้ด้วยลมนะ <c oughs> สําเร็จด้วยลมต้องสําเร็จสมถะถึงไหนล้วอ้าวคุณจุพอดีวันนี้ตื่นเต้นแล้วก็เหมือนเกรงๆช่วงเช้าจะเกรงกว่านี้เจ้ขขาค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังเกรงๆอยู่อ่ะเจ้าค่ะทําไมเกรงอ่ะก็รู้สึกพอเจอกลัวจ้า <c oughs> อะไรนะ ปกติเวลาเห็นครูบาอาจารย์ก็จะเกรงอยู่แล้วครับรู้สึกมันฟุ้งซ่านมากเจ้า่ะถ้าเที่ยวกับเมื่อวานเมื่อวานสงบกว่า น, นี้เจ้ค่ะไม่ห้ามมันรู้อย่างที่เขาเป็นใจถึงถึงฟุ้งซ่านแล้วไม่เกลียดมันก็มีความสุขพอจิตมีความสุขจิตมีความสงบจิตมีความสงบจิตมีความตั้งมั่นจิตมีความตั้งมั่นจิตก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่จิตหรอกเป็นแค่สิ่งที่แปลกปลอมเข้ามามีปัญญา นั้นต้องสบายนะฟุ้งซ่านหรือว่าฟุ้งซ่านไปจิตใจก็จะมีความสุขอยู่ท่ามกลางความฟุ้งซ่าน <c oughs> นี่แปลกไหม <c oughs> เหมือนในกองไฟนะมีจุดที่เยือกเย็นอยู่ในกองไฟใช่ไหมแชมพูเจ อ, อยังให้ไฟไหม้โลกนะเราก็มีความสงบความร่มเย็นอยู่ภายในครับมากราบหลวงพ่อเมื่อครั้งล่าสุดคือ2 อ, อเดือนที่แล้วนะครับแล้วก็ช่วงที่ไม่ได้มาเนี่ยนะครับก็ยังปฏิบัติ มีความเพียรอยู่นะครับวันนี้มาก็พาครอบครัวแล้วก็อยากจะเอ็นถามหลวงพ่อว่าเอที่ปฏิบัติผ่านมาเนี่ยนะครับใช่ได้ครับทุกทางไหมครับนะครับหลวงพ่อมีอะไรที่จะแนะนำไหมตอนนี้ก็อยากเลงมากนะช่างพึ่งพึ่งเพิ่งเล่งครับไม่เข้าใจที่เลงดีอ้างไปทางนี้ก่อนอันนี้ผ่านทางนี้ไปก่อนทางนี้เครียดเกินไปอ้างส่งกลับมาหน่อยอ้าคนนี้ รู้สึกไหมตอนนี้ลืมเครียดตอนมาใกล้นี่เครียดขึ้นเครียดขึ้นพอให้ส่งไปทางนี้สบายใจออ้าวว่าไปเลยใจอย่างนี้แหละรู้ไปด้วยใจอย่างนี้นะออกลับไปตามลําดับจําได้ยังเรารู้อย่างเนี้ยกลาบนมาสการครับ เ, เมื่อเช้านี้ก็มีอาการง่วงซึมครับรู้สึกซึมซึมโมหะเยอะมาก พอฟังเทศที่หลวงพ่อเทศนะครับก็รู้สึกว่ามีอารมณ์เปลี่ยนแปลงมีรมณ์ร่าเริงเบิกบานปิติปลืม้มหลายอย่างแน่ดูไปนะนดีถ้าฟังเทศแล้วก็ซึมๆมใช้ไม่ได้นะฟังแล้วเราก็รู้ความเปลี่ยนแปลงหลวงพ่อไม่ได้สอนพวกเราในเนื้อหาแต่ว่าจริงๆพยายามพูดเป็นเพื่อนเพื่อให้เราสังเกตสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆถ้าเราจําสภาวะได้แล้วต่อไปสติเกิดเอง เราภาวนาเป็นเองงั้นหลายคนเลยมาฟังหลวงพ่อนะกาจะฟังให้รู้เรื่องเราจะไม่รู้เรื่องฟังเล่นๆ น, นะใจก็ตื่นขึ้นมาเสร็จแล้วมางงนะว่าตื่นขึ้นมาได้ยังไงก็ไม่รู้บอกให้ก็ได้ตื่นขึ้นมาได้เพราะว่าจิตจะเห็นสภาวะซ้ําแล้วซ้ำอีกงั้นนั่งฟังหลวงพ่อเห็นไหมเดี๋ยวก็มีความสุขเดี๋ยวก็นิ่งๆตอนนี้นิ่งขึ้นมาวูบหนึ่งแล้วนิ่งแล้วเดี๋ยวก็มีปีติขึ้นมามีธรรมาปีตนะิเดี๋ยวก็ฟุง้งซ่าน ใจเราก็แฝงเดี๋ยวก็สงสัยใช่ไมเดี๋ยวก็เกิดความอยากใจเราก็หมุนหมุนหมุนไปเราก็คอยตามดูไปด้อยดูไปเรื่อยๆนะฟังไปหลายหลายวัน2วัน3วั น, วนอะไรเงี้ยฟังไปเรื่อยๆหรือฟังซีดีก็ได้ฟังแล้วไม่คอยรู้สึกรู้สึกแป๊บเดียวก็เข้าใจการภาวนาก็จะง่ายเพราะว่าเราไม่ต้องทำอะไรเลย จิตมันทาของมันเองเพราะจิตมันก็ปรุงกิเลสของมันเองจิตมันก็ปรุงสติมารู้กิเลสของมันเองอีกสบายแล้งไงอีกเลยแข็งนานแลยครับปล่อยไม้ไปไมอันเนี้ยมันคลัง้งใครจับก็แข็ง ก, กับน้นมศการหลวงพ่อเจ้าค่ะออตอนนี้ตอนนี้ช่วงนี้ใจมันแกว่งไปแกว่งมาเจ้าค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้ช่วงที่ผ่านมามีความรู้สึกว่า เราเหมือนไม่ได้ปฏิบัติเจ้าค่ะแต่ก็มีสติอยู่แต่ก็ไม่แน่ใจว่าสติที่เกิดขึ้นเป็นสติตัวแท้หรือเปล่าเจ้าค่ะตัวแท้แต่เกิดน้อยไปหน่อยเราต้มีมีเครื่องอยู่ไว้อันหนึ่งมีวิหารธรรมอะไรก็ได้นะกายเวทนาจิตทำอะไรสักอย่างหรือจะเอาพุโทโธก็ได้เป็นแบ็กกราวเพื่อคอยรู้จิตกลัวจะติดเพ่งนะเจ้าค่ะกล<า>ัวกลัวว่าจะติดเพ่งนะเจ้าค่ะ เมื่อก่อนติดเท่งแรง <Okay. S 2> งั้นงินปล่อยไปก่อนก็ได้แต่ว่ามันเกิดน้อยสติยังไม่บ่อยต่อไปถึงช่วงหนึ่งเราก็ต้องมีเครื่องอยู่เป็นเครื่องช่วยอยู่กับพุโทโธก็ได้พุโทโธไม่มีที่เพ่งลองดูถ้าถ้าใจยอมรับนะบางคนใจไม่ยอมรับพุโทโธแล้วอึดอัดเราก็บริกรรมคําอื่นก็ได้ท่องชื่อลูกเราก็ได้ชื่อแฟนเราก็ได้ถ้าแฟนเราน่ารักนะ ถ้าท่องแล้วเออไอ้นี่ร้ายไอ้นี่ร้ายอย่างนี้ไม่เอาต้องเอาแบบแล้วนึกถึงแล้วมีความสุขอ่ะนะถ้าถ้าอยู่กับลมหายใจได้ไหมเจ้าค่ะไม่ดีเดียวตไม่ดีใช่ไหมเจ้าค่ะเพราะปกติมา่ก่อนนี้จะเหมือนกับเริ่มต้นจากรู้ลมหายใจพอเหมือนกับพอมีสติก็หรือว่าพอเดินเข้าห้องน้ําปั๊บจะรู้ลมหายใจเลยนะเจ้าค่ะแล้วตอนหลังๆก็อาจจะอยากรู้มากก็ไปเพ่งเพงเพถ้ารู้จักเพ่งแล้วจะไปรู้ลมก็ไม่มีปัญหาอะไรอืม เราก็เอาลมเป็นแมกกาวแต่โดยไม่เพ่งจะ ต, ต้องระวังนะระวังเพ่งบางคนใช้บริกรรมชื่อแฟนนะมีมาแล้วนะลูกศิษย์หลวงพ่อพุธมีอยู่องค์ท่านท่องพุทโธพุทโธพุทโธแล้วกลายเป็นชื่อแฟนท่านรู้สึกท่านบาปมากเลยวิ่งมาบอกหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุธบอกให้ท่องชื่อแฟนไปใจมันชอบคํานี้ท่องแล้วมีความสุขท่องไปนะใจมีความสุขสงบนะก็เกิดสมาธิขึ้นมะ ถ้ามีความสุขแล้วสมาธิถึงจะเกิด ก, ก็รู้สึกว่าจิตใจนุ่มนวลกว่าเมื่อก่อนนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเบาไปหรือเปล่าะเจ้าค่ะไม่ไม่เบ า, เบาป่นะเจ้าค่ะใช่ได้แต่ว่าสติยังเกิดน้อยไ้นิดหนึงต้องมีเครื่องอยู่อ้าพึ่งเอาจะคุยอะไรไหมทานไปหลายรอบแล้วนะอ้าวกุ้งว่าไงอย่นี้ก็ถ้าเพ่งก็จะรู้ตัวมากขึ้นค่ะ หลงก็หลงบ่อยแต่มันจะเป็นเหมือนกับดีอยู่สามวันอีกสามวันทําไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นธรรมดานะถ้ารู้สึกดีทุกวันเหมือนกันทุกวันทําผิดแน่ๆบางวันมันเหมือนขาดอีกนิดเดียวก็จะบรรลุละอย่ารู้สึกอย่างนี้นะอีกวันหนึ่งภาวนาไม่เป็นแล้วไม่รู้เข้าภาวนาอย่างไงแต่ตอนนี้ตื่นเต้นตื็นเต้นก็รู้ไปแล้วต้องทําอะไรเพิ่มอีกไหมคะไม่ไทำ อ, อะไร<ๆ>ให้รู้นะไม่ให้ทํานะให้รู้ไป มีเครื่องอยู่ไว้อันหนึง่งแล้วก็หาเอาว่าอยู่กับอะไรแล้วจิตใจสบายเอาอันนั้นแหละอ้าวโ อ, โอน้อยรู้สึกว่ามันมันมีโมหะแต่ว่าเหมือนกับจิตก็เหมือนมีกําลังนิดนึงครับหลวงพ่ อ, อจิตมีโมหะถูกต้องครัับเป็ น, นกลางกับมันยังไม่เป็นกลางเต็มที่คดูออกไหมให้ใรู้ตรงที่ไม่เป็นกลางนะั้นค่ะผ ม, มีการบ้านส่งค่ะ อาทิตย์ที่แล้วค่ะหลวงพ่ออ้รู้สึกโมหะเยอะมากแล้วก็ก็วุ่นวายเหมือนกับไปตะลุมบอนกลับมาอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พอเวลาที่อยู่คนเดียวจิตมันเหมือนค่อนข้างที่จะมันมันเหมือนกับสมาธิมันหลวกงเข้ามาบ่อยมากแล้วก็เหมือนกับเขาไม่อยากจะออกมารู้อะไรเงี้ยนะคะแต่โอกก็รู้ไปนะคะเป็นอยู่เกือบอาทิตย์นะคะแล้วก็พอพอเมื่อมีอยู่คืนหนึ่งะคะ่ะก่อนก่อนมาไม่คิว่วานะคะอดก็ทําในรูปแบบเดินจงกรมไป ตามปกตินะคะก็มัวแต่เหมือนตะลุ่มบอลกับโมหะกับกับจิตที่มันจะเข้าสมาธิอยู่เรื่อยพอสักพักหนึ่งจิตมันก็เกิดตั้งมั่นขึ้นมาเองนะคะแล้วก็จิตก็ไปเห็นจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมา ม, มันก็มันก็โอก็ได้ความความรู้ใหม่มาอย่างหนึ่งเลยนะคะตรงนั้นนะคะว่าเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเราเวลาที่เรารู้เราไปคาดหวัง กับสิ่ง<ม>ที่เรารู้ตลอดเวลาเลยว่า ม, มันจะต้องเป็นอะไรสักอย่างที่<ม>ที่จะต้องดีหรืออะไรจริงๆ<ม>แล้วมันมันแค่รู้<ม>อะค่ะเพราะมันรู้พอพอมันแค่สักว่าว่ารู้<ม>อยู่ตรงนั้นจริงๆโดยที่ไม่ ไม่ไปแทรกแซงนะคะมันมันก็มันก็เป็นอย่างที่เกิดขึ้นนาตรงนั้นแล้วพอพอพอรู้ตรงนั้นจบปุ๊บเนี่ยมันเหมือนมีสภาวะธรรมที่ไหลเข้ามาให้เห็นเหมือนกับเนียนๆเนิบๆแบบรู้แล้วก็ก็ดับไปรู้แล้วก็ดับไปในลักษณะนั้นนะคะอยู่สักพักหนึ่งอะคะ่ะ โอก็เลยเข้าใจว่าอ๋อจริงๆแล้วที่รู้รมาเนี่ยจิตเราไม่เคยเป็นเป็นกลางเลยรู้แล้วแทรกแซงตลอดเวลาอย่างเงี้ย<ด>ค่ะดีและทีนี้โอ๋จะถามหลวงพ่อนี่หนึ่งว่าแล้วตรงสภาวะที่ที่โอ๋เห็นที่มันเนียนเนิบเนบดับอย่างนัน้นอ่ะจริงๆแล้วเราเร า, เรามันควรเป็นรู้เลยแล้วไม่จําเป็นอะไรก็ได้นะเท่าเทียมกันหมดเลยตอนที่ใจเราฟุ้งซ่านแล้นมันมาเร็ววับบวัมาทางนี้มาทางนี้มาทุกทิศทาง เนะพอใจเราตั้งมั่นมีสมาธิมันจะไหลมาเนียนๆ เ, เนืบๆเนี่ยก็ค่อยรู้ไปเรื่อยๆเพราะงั้นถ้าช่วงไหนมันวุบวับวไปหมดนะมีสองอันอันหนึ่งทําสมถะถ้าทําสมถะไม่ได้ให้รู้ว่ากําลังฟุ้งซ่านอย่าไปดูทีละอันดูภาพรวมว่านี่กําลังฟุ้งซ่านอยู่พอเราเห็นภาพรวมปุ๊บใจเป็นกลางกับมันปั๊บนะใจจะสงบลงมาตั้งมั่นขึ้นฉับพลันพอใจตั้งมั่นขึ้นมาคราวนี้จะไหลมาเนิบเนืบไม่เร็ว งั้นสิ่งที่โอ๋เห็นเออข้าใจตรงนั้นก็คือความเป็นกลางที่เขาให้รู้ใช่มคะเพะแล้วก็มันก็ไม่เกิดขึ้นมันก็แล้วแต่ที่จะเกิดขึ้นมาอีกใช่ไหมคะเดี๋ยวไปบังคับมันเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วจิตเป็นกลางหรือไม่เป็นกลางก็รู้ไปถ้าไม่เป็นกลางนะมันยินดีหรือมันยินร้ายก็รู้ไปรู้ทุกอย่างที่จิตไปรู้รู้แล้วไม่ทําอะไรเราจรู้สึกสบายมากแลยการแบบนี้ใช่สบายหลวงพ่อจะบอกง่าย ไม่ทำอะไร <c oughs> ง่ายนี่เป็นสัญลักษณ์เท่านั้นเองถ้าจริงจริงง่าย <c oughs> ไม่ใช่ต้องแทบจะเป็นจะตาย <c oughs> ง่ายสุดๆเลย <c oughs> ใช่ค่ะสบายด้วยเราไปติดกรรมฐานอยู่ที่ร่างกายที่เปลือกที่รูปแบบมากกว่าเนื้อหาเช่นต้องเดินท่านี้ต้องนั่งท่านี้ต้องหายใจแบบนี้มีแต่คําว่าต้องส่วนเนื้อหาสาระก็คือจิตนั้นมีสติแท้จริงไหมจิตมีสัมมาสมาธิไหมไม่เคยสนใจ สติเกิดจากอะไรก็ไม่รู้คิดว่าสติเกิดจากกําหนดสติเกิดจากบังคับทั้งๆที่สติเกิดจากจิตจําสภาวะได้ก็ไม่เคยรู้เนี่ยอาจาจะบังคับให้มีสติบังคับตัวเองไม่ให้ขาดสติบางคนนะขยับเนี่ยห้ามเผลอนะห้ามเผลอห้ามเผลอไอ้ตรงที่คิดทํานี่แหละเผลอไปเรียบร้อยแล้วนะจิตมีโลภะไปแล้วหรือสัมมาสมาธิเป็นยังไงก็ไม่รู้ต่างกับมิจฉาสมาธิยังไงก็ไม่รู้นะมิจฉาสมาธิจิตไหลเข้าไปตั้งแช่อยู่กับอารมณ์ รู้ท้องผ่องยุบก็ไหลไปอยู่ที่ท้องรู้เท้าไหลไปที่เท้ารู้มือไหลไปที่มือรู้ลมอยู่ไปอยู่ที่ลมจิต ท, ที่เป็นสัมมาสมาธิจิตใจเนียนเนียตั้งมั่นมีความอ่อนมีความเบ า, ม, า, ม, เบามีความคล่องแคล่วว่องไวมีความสุขเราก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างไปด้วยจิตใจที่มีความสุขไม่เกี่ยวข้องเป็นกลางนะไม่ยินดีไม่ยินร้ายสักว่ารู้สักว่าเห็นเมื่อใจไม่เข้าไปแทรกแซงสภาวธรรมสักว่ารู้สักว่าเห็นสภาวธรรมแล้วเนี่ย มันจะเห็นสภาวธรรมตรงตามความเป็นจริงเพราะฉะนั <S 2> <S 2> ้นจิต ท, ที่มีสัมมาสมาธิเนี่ยทำให้เราเห็นสภาวธรรมตรงตามความเป็นจริงเพราะเราไม่เข้าไปแทรกแซงด้วยความยินดียินไล่เมืม่อเราเห็นสภาวธรรมตรงตามความเป็นจริงเราจะเห็นสภาวธรรมทั้งหลายนั้นตกอยู่ใต้ไ ต, ตรลักษณ์นั่นเองความเป็นจริงของสภาวธรรมก็คือไตรลักษณ์นั่นเองพอเห็นมากเข้ามากเข้าเรารู้เลยอย่างความโลภความโกรธความห ล, ลงไม่ใช่ตัวเราแล้วเป็นสิ่งที่ไหลมาไหลไปไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นแค่สภาวธรรม ดูไปมากๆเราก็จะพบว่าตัวเราไม่มีหรอกมีแต่สภาวะธรรมจํานวนมากที่มาประชุมกันชั่วครั้งชั่วคราวเกิดแล้วก็ดับไปแต่ละสภาวะตัวเราไม่มีเมื่อตัวเราไม่มีแล้วที่จะรองรับความทุกข์ก็ไม่มีมันมีความทุกข์ความทุกข์มันมีที่ตั้งอยู่ในกายในใจนี้ถ้าเราปล่อยความยึดกายยึดใจแล้วความทุกข์ก็ไม่รู้จะไปตั้งที่ไหนก็ตั้งที่ไหนก็ช่างมัน <Okay. S 1> ไม่เกี่ยว เพราะงั้นเราก็หัดนะหัดรู้ไปเป็ในใจเรามีสัมมาสมาธิรู้สึกตัวเบาๆสบายเป็นกลางนุ่มนวลอ่อนโยนไม่เข้าไปแทรกแซงรู้อย่างสักว่ารู้สักดิ์เห็นสภาวะทั้งหลายถ้าสัมมาสมาธิเสียไปจิตเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาก็รู้ทันรู้ทันแล้วเดี๋ยวมันจะตั้งมั่นขึ้นมาใหม่อย่างนี้มันเหมือนกับว่าเราเคยพบตรงนี้แล้วแล้ว เ, เขาจะจําได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะหลงพ่อได้ง่ายแต่ลืมได้อีก ภาวนาไปช่วงหนึ่งอย่าไปตาลุมบอดแล้วลืมลืมนะแล้วก็จะส่อสู้ไปอีกพักหนึ่งแล้วก็เอ้ยไอ้นี่ผิดอย่างเก่าอีกแหละทําไมมันโง่หลายแล้ผิดเหมือนเดิมผมมีอะไรต้องเพิ่มเติมไหมคะหลวงพอ่อดูรูปเดียบ ว, วันนี้รู้สึกตื่นเต้นคะ่ะหลวงพอ่อรู้สึกว่าสองสามวันนี้มีจิตใ จ, จตั้งมั่นตั้งมั่นมากขึ้นนะคะ่ะหลวงพอ่ออะไรนะมีจิตใจตั้งมั่นมากขึ้นกว่าช่วงก่อนก่อนแล้วก็ รู้สึกตัวเผลอบ่อยแล้วก็ใจลอยบ่อยๆด้วยเออดีนะดีใช้ได้อต่อไปไม่ต้องเข้าแถวและใครอยากได้ยกมือมีไหมข้างหลังยกมือพอกับการรู้ที่ถูกต้องรู้ที่ถึงฐานเนี่ยก็คือหลังจากคิดมาแล้วเนี่ยรู้ว่ามีตัวมีตนตั้งอยู่ใช่ไหมครับไม่ไมไม่ยุ่งยากขนาดนั้น่ะนะนะใจใจปกติเนี่ยชอบหนีไป หนีไปไกลๆบ้างหนีเข้าไปข้างในบ้างส่วนความรู้สึกตัวที่ถึงฐานนี่เป็นรู้ตัวที่สบายๆอย่างตอนนี้ไม่รู้ตัวรู้สึกไหมไหลไปคิดเนะี่ยตรงนี้บังคับไว้ทราบไหม ค, นะคุณเรียนตรงนี้เยอะๆนะต่อไปพอมันไม่เผลอไปไม่บังคับไว้มันจะถึงฐานของมันเองนะนั้นที่ถูกอย่าพยายามทานะถ้าอยากทำมันก็ผิดแล้วมันผิดตั้งแต่อยาก ใ, ใจไปคิดแล้วทราบไหม ตรงนี้ไปกดแล้วนะอย่าไปกดมันนิ่งๆปล่อยปล่อยให้สบายจิตมีความมัวอยู่เล็กน้อยดูออกไหมครับจิตมีโมหะแทรกอยู่หน่อยๆเราก็รู้จิตแอบไปคิดและรู้สึกไหมแล้วเมื่อกี้จิตพยายามจะเข้าไปดูรู้สึกไหมจิตอยากจะเข้าไปดูรู้ว่าอยากจิตมันทำอะไรเราตามรู้ไปเรื่อยเราจะเห็นว่ามันทำงานได้เองเราดูจนเราเห็นมันทำงานได้เองแล้วเราก็เลยรู้ขึ้นมาว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอก มันทำงานได้เองหนีไปคิดอีกแล้วซ้ำไหม mm hmm. เริ่มเข้าไปสังเกตอีกแล้วรู้สึกไหมนะอย่าไปกดไว้ตอนนี้กดแล้วปล่อยนะปล่อยให้สบายแกล้งปล่อยละ <c oughs> เลยหลงไปเลยจิตหลงไปแว บ, บนึเนะี่ยอย่าพยายามสังเกตจิตอยากสังเกตรู้ว่าอยากสังเกตจิตเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นยังงัเนะี่ยพยายามอีกแล้วรู้สึกไหม พยายามจะดูพยายามจะปฏิบัติพยายามทําความเข้าใจไม่ต้องพยายามนะมันจะทําความเข้าใจรู้ว่ามันจะทําความเข้าใจมันเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นมันแอบไปคิดทราบไหมเมื่อกี้นี้รู้อย่างนี้รู้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันชีเองเลยใช้ได้แล้วนะที่ทําอยู่เข้าร่องเข้ารอยและเอาแม่ชีนี้มาจากไหนเอาเอาให้แม่ชีฟูยหน่อย อ่ะไม่เอาเนาะโน่นเวอร์สี่สิบอยกมื อ, อเมื่อกี้ไม่ชีมาจากไหนล่ะจากไหนนะสุรินเหรออยู่กับใครอะ่ะที่สุรินอยู่วัดใดที่สุรินมีพระดีเหลืออยู่องค์หนึ่งนะที่สุรินน่ะมีพระดีเหลืออยู่องค์หนึ่งชื่อหลวงตาผนึกอยู่วัดปากเหว่ ก็ฝึกดูใจไปเรื่อยนะอย่าดูใจคนอื่นนะให้ดูใจตัวเองฝึกดูใจตัวเองไปเรื่อยๆใจเรามีความสุขก็รู้ใจเรามีความทุกข์ก็รู้ใจเราเฉยๆก็รู้ฝึกแค่นี้พอละให้ทําต้นทางคือให้ดูใจของเราอย่าไปทําปลายทางปลายทางก็คือไปดูจิตคนอื่นไปดูว่าจิตหลวงปู่ดูลเป็นยังไงจิตหลวงปู่เทศเป็นยังไงจิตอาจา ร, รย์มหาบัวเป็นยังไงแล้วก็ไปลอกแบบมา อย่างนั้นใช้ไม่ได้นะเหมือนเราไปดูสมบัติคนอื่นมันไม่ใช่สมบัติของเราให้เราดูจิตของเราเนี่ยจิตแอบไปคิดแล้วซ้ำไหมใจหลงไปอีกละรู้สึกตัวนะไม่ใช่รู้สึกคนอื่นใจส่งออกนอกเอาโยมภาคโน้นเป็นไงเ อ, อระยะนี้ไม่ค่อยสบายค่ะไม่ทราบปฏิบัติเป็นยังไงบ้างคะ ให้มันปมันป่วยไปนะอยู่ที่ใจเราที่ฝึกอยู่ดีนะให้มันป่วยไปรนะ่างกายเราดูใจของเราไว้ไม่ทราบว่าวิธีที่ผมปฏิบัติอยู่นี่ถูกยังเถียงบังคับเยอะไปหน่อยอคลายคลายออกหนยสบายสบายรู้สบายสบา ย, บา ย, บายใจแข็งไปจริงจังไปแล้วต่อไปนี่คืออา่า มีวิธีแนะนําปฏิบัติยังไงดี๋ยวครับใจเราเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตใจเราเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเรื่อยๆเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายลูปลูกเดียว่็รู้ไปเรื่อยๆถ้าทําได้อย่างที่หลวงพ่อบอกนะไม่นานก็เข้าใจธรรมะจะเห็นเลยจิตใจเนี่ยทํางานทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวก็ปรุงดีเดี๋ยวก็ปรุงชั่วเดี๋ยวก็ปรุงสุขเดี๋ยวก็ปรุงทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วล้วนแต่ดับทั้้งสิน ไม่มีอะไรคงทนถาวร อ, อยู่สักอย่างเดียวจะเห็นเข้ามาตรงนี้ได้ใจแอบไปคิดอ่ะทราบไหมแล้วอยากพูดรู้สึกไหมมันมีแรงดันมันอยากพูดนะให้รู้ว่าอยากพูดอ้าว่าไปให้พูดละรู้สึกไหมจิตตอนนี้โล่งกว่าเมื่อกี้ครับอจิตมันโปร่งขึ้นมาแล้วเราก็รู้ว่ามันโปร่งนะมันโปร่งขึ้นมาเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ไปอัดมันไว้ไม่ได้ไปกดมันไว้นะไม่อย่าไปกดมัน ปล่อยมันปล่อยมันให้มันมีอิสระมันจะทํางานตามใจชอบปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างปรุงสุขบ้างปรุงทุกบ้างเราก็ตามดูไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นเลยทุกสิ่งที่มันปรุงขึ้นมาอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปทั้งสิ้นเลยสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับจะเห็นอย่างนี้เพราะงั้นอย่าไปกดนะถ้ากดแล้วมันไม่ไม่ปรุงอะไรให้ดูมันเหมือนกับว่าพอคิดถึงเรื่องการปฏิบัติปั๊บแล้วอมันบบังคจะกบเลยเองครั บ, ออรบแล้วก็คอดรู้ตัวอีกทีก็รู้สึกว่า มันแน่นก็เลยกระโดดตอนนี้ก็คือเองเลยครับมันแน่นๆ น, น่ น, แ น, นแน่นนี่เป็นผลแล้วเป็นผลจากการบังคับเพราะงั้นแน่นเป็นวิบากนะเป็นผลของการกระทํากรรมคือการบังคับตัวเองแก้ไม่ได้รเราต้องแก้ที่ต้นเหตุอยากปฏิบัติให้รู้ทันถ้ายัางรู้ไม่ทันกําลังบังคับอยู่รั่ว บ, บังคับแต่ถ้าบังคับไปแล้วนะยังไงก็แน่นแล้วผมก็เลยแก้ปัญหาด้วยการเลิกทําแล้วไปทําอย่างอื่นก่อนเออดีเลิกไปเลยแต่แต่ว่าสักพักหนึ่ง พอมันก็จะคิดแล้วมันก็จะเก่งเองเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับแล้วเหมือนกับมันก็บังคับไม่ได้แล้วก็แก้ออไม่ได้ครับเราเราลืมคําว่าปฏิบัติไปเราถือศีลห้าไว้ก่อนนะแล้วใช้ชีวิตธรรมดานี่แหลนะเช่นเราทํางานหรือเราอะไรแล้วค่อยรู้ทันความรู้สึกของเราเป็นระยะระยะไม่ต้องคิดว่าเราปฏิบัติทำนะคิดแค่ว่าเราจะคอยตามดูความรู้สึกของเราไปเรื่อยๆนะลืมคําว่าปฏิบัติซะพอคําว่าปฏิบัติเกิดขึ้นเราก็จะบังคับตัวเอง ทันทีที่บังคับตัวเองก็จะแน่นขึ้นมาคมรับไม่ต้องปฏิบัติก็ได้ลืมมันไปเลยแต่ว่าอะไรเกิดขึ้นที่ใจแล้วค่อยรู้เอาอย่างตอนนี้ใจหนีไปคิดแล้วรู้ไหมเลยลอยแต่ไม่ค่อยใจอใจลอยไปนะนะไม่ต้องไม่ต้องให้รู้ชัดอนะรู้เท่าที่รู้ได้อ่ะไปแจ็คแม่เชียแม่เชียหลงไปแล้ว กราบนมัส ก, การหลวงพ่อครับก็วันนี้ได้มีโอกาสแวบมาครับช่วงเช้าก็ทํางานยาวเลยครับสองเดือนเลยไม่ได้มากราบวันนี้เลยแวบมาช่วงเช้าวันธรรมดาครับสารภาพบาปก่อนอครับวันนี้ได้มีโอกาสพาพี่ๆกับน้องๆที่เป็นตํารวจนะครับมาเพิ่มพี่เข้ามาแล้วครั้งหนึ่งครับแต่ไม่ได้กราบในมรส ก, การหลวงพอ่อครับในส่วนของการปฏิบัติเนี่ยก็คือ ตัวที่ยังเห็นความเป็นตัวตนของตัวเองอยู่ชัดเจนเนี่ยตอนนี้ที่เหลืออยู่เนี่ยก็น่าจะเป็นตัวที่เป็นผู้ปฏิบัติเนี่ยแหละครับครับแล้วก็ทุกครั้งที่มีความเป็นนักปฏิบัติเนี่ยก็จะมีเอี่ยวกับกายนี้กับใจนี้แล้วก็จะทำให้เวลาที่ปฏิบัติดีเนี่ยมันมีปิติมีความยินดีขึ้นมาเหมือนที่หลวงพ่อสอนไปในช่วงแรกที่บอกว่าพอ มันเหมือนกับอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวพอบางครั้งเนี่ยที่จิตมันไม่เที่ยงพอมันถึงเวลาปั๊บมันปึ๊บลงไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยสติก็ไม่ดีด้วยสภาวะการรู้ตัวเนี่ยรู้ตัวได้อ่อนมากแทบจะรวมกันไปเลยมันก็โอ้โหทำไมมันถึงได้เอ๊ะเราก็ปฏิบัติมันก็เลยดูว่ามันมันพลิกทั้งวันนะครับครับแล้วก็จริงนะแจ็คตรงที่มันจะเข้าไปรวมเนี่ยอย่าไปฝืนมันครับ พอเรารู้เออแก่รวมชั้นสบายใจนี่ต้องอย่างนี้นะครับครับเสร็จแล้วมีความสุขขึ้นมาผุดขึ้นมาเลยครับแล้วก็ตอนนี้ที่รู้อยู่ก็คือเป็นสภาวะที่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันเกิดต่อหน้าต่อตาเราเลยครับแล้วมันก็ปัจจุบันมันก็เร็วมากเหมือนกับเข็มวินาทีที่ที่วิ่งไปเรื่อยๆถ้าเรายังจับอยู่กับวินาทีเก่าเนี่ย ม, มันก็คลาดไปแล้วแจ็คเริ่มเห็นหอย่างโลกนี้ว่างเปล่า เห็นเป็นปรากฏการณ์ไหลๆๆไม่เกี่ยวอะไรกับเราครับนะเนี่ยใจพอใจมาถึงจุดนี้มันจะเห็น่างนีนะ่รู้สึกัหมโลกส่วนโลกใจส่วนใจไม่เกี่ยวอะไรก็ได้เนี่ยตามรู้ตามดูไปนะที่ผ่านมามันไม่อะไรก็ได้มันอยากดีอยากสุขอยากสงบเนะี่ยเพราะอะไรเพราะมันรักตัวเองเราเห็นโลกกว้างเปล่าแล้วแต่ยังไงก็ตามขอเอาดีเอาสุขเอาสงบไว้ก่อนครับเนะี่ยให้รู้ทันลงไปมันยังรักตัวเองอยู่ แ้วมันมัค่อยล้าเป็นลําดับไปไม่ต้องรีบร้อนต้องกล้าหาญมากกว่านี้ใช่ไหมครับต้องกล้าครับชั่วชั่วไม่ได้นะแต่ว่าไม่ดีก็ได้ครับไม่ดีครับเช่นใจหมองหรือใจจะไหลไปใจจะไหลไปถ้าเราทนไม่ได้ดิ้นขลุกคกลักคลุกคลักนะยิ่งจมลงไปเลยครับนะมันอยากไหลแล้วเออแกไหลไปฉันจะดูแกด้วยความมีความสุขดูอย่างสบายใจนะมันจะมีความสุขขุดขึ้นมานะมันหลุดออกมาเลย ต่อไปนี้เราก็จะเห็นโลกเนี่ยเคลื่อนไปเป็นภาพดวงตาเราจะเห็นโลกเป็นภาพดวงตาเห็นโลกเหมือนความฝันเห็นโลกเหมือนพยับแดดอย่างเงี้ยไม่ใช่ของที่จับต้องจริงจังได้อีกต่อไปละใจก็อยู่ต่างหากใจมีความสุ ข, ม, ม, สขมีความสงบอยู่ต่างหากแล้วก็วันดีคืนดีก็ไหลไปรวมกันอีกพอมีสติมีปัญญา ม, มีกําลังพร้อมันก็หลุดออมาอยู่ต่างหากอีกวิ่งเข้าวิ่งออกไปด้วยนะมีแต่ความแปรปรวนไม่ยึดอะไรสักอย่าง ไม่ใช่ยึดสภาวะที่แยกกันอยู่ไม่ได้เกลียดสภาวะที่ไหลเข้าไปครับลักจะขออนุญาตถามเผื่อพี่ที่หูเขาไม่ค่อยได้ยินนะครับครับว่าของเขาเนี่เป็นยังไงบ้างครับใจหลุกหลีกไปน้อยใช้ได้โดยโดยพื้นนะใช้ได้จิตขนาดนี้ฟุ้งซ่านเขาของของพี่เขาจะต้องมี อ่าในส่วนที่จะปฏิบัติจะต้องไม่เขาหาวิหารแล้วทำไว้อันหนึ่งอยู่กับพุโทโธอะไรก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับแล้วก็คอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของใจไปเรื่อยแค่นั้นก็ไปได้ละครับพื้นฐานเขาดีครับมาถึงตำรวจกี่คนอันนี้ตำรวจตารวจโรงพักนี้ดีนะชอบเข้าวัด <c oughs> เอาซ d ดีไปฟังก่อนนะฟังซ d ดีแล้วหัดสังเกตใจตัวเองไว้ค่ะ การน้ำมศกาหลงพ่อค่ะึ้นหนูกับแม่ค่ะไม่เคยปฏิบัติเลยอะค่ะแล้วก็จะไม่รู้เลยว่าวิธีที่เราจะรู้สึกตัวค่ะเป็นยังไงอย่างแม่จะรู้สึกตอนเฉพาะตอนโกรธพ่อแล้วค่ะนอกจากนั้นจะไม่รู้สึกเลยเอ า, อางี้ถ้าโกรธพ่อแล้วรู้สึกนะเราก็โกรธบ่อยๆอเวลาโกรธแล้วเราก็ดูใจที่โกรธน ะ, ะดูไปดูไปมันก็หายโกรธ เดี๋ยวพอนึกถึงใหม่ก็โกรธใหม่โกรธอีกก็ดูอีกเราจะเห็นเลยใจมี2อย่างมีใจที่โกรธกับใจที่ไม่โกรธสลับกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ไม่โกรธเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวไม่โกรธดูอย่างนี้มันก็แสดงความไม่เที่ยงให้ดูได้จริงๆง่ายๆนะใจเรารู้สึกยังไงเรารู้สึกตามเรารู้ทันไปตามรู้ไปเรื่อยๆอย่างตอนเนี้ยทีแรกหนีไปคิดใช่ไหมเดี๋ยวก็หันไปสนใจแม่ใจก็วิ่งไปที่แม่นึกออกไหมใจมันวิ่งได้ดูออกไหมว่าใจวิ่งไปได้ ลองดูพระพุทธรูปตรงนี้รู้สึกไหมใจไปอยู่ที่พระล้วเนี่ยใจเราจะวิ่งไปอย่างนี้วิ่งทั้งวันนะมันวิ่งไปไหนเราคอยรู้ทันไหมอย่าให้มันวิ่งหนีไปนานๆมันวิ่งไปวิ่งมาเราคอยรู้เนี่ยวิ่งไปคิดแล้วรู้สึกไหมดูอย่างนี้มันหนีไปคิดเราก็รู้ทันใจมันวิ่งไปวิ่งมาเน้นะมันวิ่งไปอีกแล้วรู้สึกไหมดูไปอย่างนี้นะภาวนาไม่เป็นไม่เป็นไรดูอย่างนี้เป็นใช้ได้แล้ว เดี๋ยววันหลังพวกที่ภาวนาเพ็งเขาต้องอิจฉาเราบอโอ้รู้มากยากหนานรู้นิดเดียวเห็นแค่นี้เองดูออกไหมมันวิ่งไปวิ่งมาต่อไปนี้มันวิ่งไปวิ่งมารู้ไปเรื่อยๆไม่ห้ามนะอย่าไปกดให้นิ่งนะปล่อยให้มันวิ่งแล้วตามดูเหมือนมันเป็นเด็กคนหนึ่งวิ่งไปวิ่งมาเราไม่เอาโซ่ไปมัดเด็กคนนี้ปล่อยให้มันวิ่งแล้วเราตามดูไปเรื่อยๆเนี่ยแอบวิ่งไปแล้ะรู้สึกไหม รู้สึกไหมใจเราสว่างแค่เราโปร่งขึ้นมาแล้วเนี่ยตามดูไปนะใจจะมีความสุขขึ้นมาใจจะโปง่งโล่งเบาอ่ะใจไหนละอ่ะคุณลันก็เห็นว่าตัวเองนี่แว่งไปแกว่งมาค่ะอย่างเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยแกว่งไปตรงฟุง้งซ่านแล้วก็มาสองวันเนี้ยก็ไปเห็นตรงที่ว่าซึมซึมเจ้าค่ะอย่า ก, กดไว้ตอนเนี้กดไมนะ่กดดีแล้วอยู่กับคุณอรรมราไม่ต้องมาถามหลวงพ่อแล้ว มาเยี่ยมกันเฉยๆได้กลับแล้พัสการหลวงพ่อค่ะถ้ากลังในบา้านจะเริ่มเห็นใจที่มันเคิมบ่อยๆอ่ะดีนะ<า>แล้วเคิมนะค่ะแล้วมันจมแล้วมันก็ค่อยๆไหลเข้าไปนะคความมันเคิมได้ที่มันอย่างเงี้ยโอ้ยหลวงพ่อเห็นแล้วอยากทุบพอไปอยู่ต ร, ตรงนี้หลายๆปีก็ไม่ได้อะไรเข่าใจไหมค่ะอ่าแล้วมันต้องตื่นขึ้นมาฟึกครับ ดูเพิ่งได้เริ่มเห็นโทษจริงๆค่ะหลวงพ่ อ, อแล้วพอเพอินเห็นต้องอ่อยค่ะเลยไม่รู้สึกว่าเราต้องกล้าหาอะไรเด็ดเดี่ยวที่จะออกมาจากเคริมตรงเนี้ยค่ะอืมดีอ้อยมันไม่ค่อยเครลิ้มอ้อยมันขี้โมโหไม่มีเวลาเคลิ้มเท่าไหร่หรอกถ้าถ้าสมมติว่าตังได้เห็นอย่างนี้บ่อยๆหนึ่งก็จะรู้สึกว่ามัน จ, จะไม่ไหลเข้าไปค่ะดีแล้วรู้สึกเรื่อยๆอย่าให้ไหลนะที่หลวงพ่อไล่ทุกปลางมานานก็เรื่องนี้แหละ <c oughs> นั่งอ่ะก็เริ่มมีแต่ความสุขเอาอะไรนั่งหนาหนูหนูเพิ่งได้เห็นว่าเออมันมีโทษมากๆเลยคะ่ะหลวงพ่อใช่มันทำให้เราเนี่ยนะไม่เบื่อหน่ายสังสารวัตร <c oughs> เราก็จะมีความเพลิดเพลินหลงอยู่กับสังสารวัตไปเรื่อยๆ้ใจเราไปเคลิ้มเคลิมกล่าวขอบพระคุณ <c oughs> นี่เหลือเลยแต่ว่าใจสบายกว่าเมื่อกี้ดูอกไหม พาระพ้นไปแล้วได้เห็นว่าแม้กระทั่งตอนที่หลับแล้วฝันไปก็ยังรู้สึกตัวเจ้าค่ะใช้ได้แล้วนะภาวนาดีคนหลันดีกว่าตะกี้แล้ว <c oughs> เห็นไหมปรางก็สบายใจกว่าตะกี้หน่อยอ้าวรินว่างไงส่งกันบ้านหน่อยค่ะหลวงพ่อห่างวัดไปก็เผลอนานแล้วก็แป๊บหนึ่งนะแป๊บเดียวโยมดีมากเลยภาวนาไปแล้วมันมีความสุขอย่างนั้นแหละ แล้วมันเห็นใช่ไหมทุกอย่างไม่มีอะไรเลยทุกอย่างว่างเปล่าโยมยังติดอยู่หน่อยนะี่ติดที่สงสยัยเอาว่าไปคือ <มา S 2> ว่าวเรามีความรู้สึกว่าอย่างฟังเนี่ยหมายถึงว่าเราต้องไม่ไปไปติดตรงนั้นแต่โยมก็ยังติดอยู่คือมันรู้สึกรูปเนี่ยมันแข็งอยู่นนไมอไม่เป็นไรมันมันเป็นความเคยชินเก่าๆเราไม่ได้ไปทําเหตุอย่างเก่าละเราคอยรู้ต่อไปก็คลายออกไปเองโยมรู้สึกไหมอยู่ๆก็ความสุขผุดขึ้นมาละอ่าใช่ใช่ใชนะ นจิตที่มันมีสติจิตที่มันมีกุศลนะมันมีความสุขผุดขึ้นมาเองเลยแล้วในกรณีที่ลมออกจากทางนี้แล้วจิตเราต้องไปดูมันไหมไม่เรารู้ทันจิตเราเรารอไปแล้วเราใจเราโล่งเรารู้ว่าโล่งอ๋เอเร า, าดูตรงที่เราโล่งใช่ไหมไม่ไปดูที่ลมดูที่จิตรู้ทันจิตไปเรืไไ่อนะภาวนาใช้ได้เลยล่ ะ, ะภาวนาได้น่ารักมากเลยจิตใจเบิกบานแจ่มใสหน้าตาก็เปลี่ยนใครดูออกบ้าง ไปส่องกระจกนะหลวงพ่อกล้ารับรอเลยหน้าไม่เหมือนเดิมสวยกว่าเก่าคนภาวนาไม่เป็นนหน้ า, าหน้าตาดูไม่ได้ดำดำค่ะแล้วก็เ อ, อพอจะมาวัดนะคะก็รู้สึกตัวได้มากขึ้นแล้วก็เหมือนว่ามันมีการซ้อมคะ่ะหลวงพ่ อ, อดี <laughs> ลินก็ต้องตั้งกติกานะถึงเวลาต้องมาวัดบ้าง <laughs> ส่วนใหญ่ที่จะมาไม่ได้เพราะว่า ไม่มีคนอยู่ก็ต้องดูแล อ, อะไรเงี้ยค่ะธรรมดานะเราขายของเมื่อเช้าก็มีซึมซึมนิดหน่อยค่ะอตอนนี้ก็รู้สึกว่าดีกว่าเดิมดีกว่าจับไมค์ครั้งแรกรู้สึกไห ม, อมตอนนี้จับไมค์ครั้งแรกอะจิตยังมีโมหะอมพอหลวงพ่อคุยกับโยมเนี่ยจิตเราสว่างขึ้นมาค่ะรู้ลงไปอย่างนะั้นดีละไงคุณเพ็ญศรีอ่ะหลวงพ่อคะมีความสุ ข, ขของคนอื่นนะคะไม่มีอะไรอะ่ะเจ้าคะ่ะ หลวงพ่ก็ว่างั้นแหละใจคุณเป็นสียังเกาะอยู่ดูออกไหมรู้สึกว่าน่าจะแก้ยากไมหมคะหลวงพ่ออยากแก้ค่ะ <c oughs> อยากแก้รู้ว่าอยากแก้ <c oughs> ไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบรู้ใจเรา <c oughs> อาการที่ปรากฏไม่มีนัยยะสําคัญเจ้าค่ะอย่างโยมเนี่ยลมมันออกไม่มีความสําคัญอะไรส <c oughs> ำคัญคือมันโลง่งใจเราโลง่งขึ้นมาเรารู้ว่าโลง่ง แต่หลวงพ่อครับภาคหลังที่ปฏิบัติอ่ะไอตัวที่เกาะติดเนี่ยก็ก็เป็นเป็นยังเป็นอยู่สาหัสเหมือนอกันนะเคุณ <นะ S 2> เป็นสีตอนนี้มันคลายการเกาะตัวอื่นไปหมดละมันมาเกาะไอตัวนี้ไว้เกาะไอตัวที่รู้ไว้เจ้าค่ะค่อยๆรู้ไปรู้ไปด้วยความเป็นกลางนะเดี๋ยววันหนึ่งมันก็หายไป หลวงพ่อคะแล้วเวลาที่ที่หนูเข้าปฏิบัติอะนะคะหนูจะลืมลืมหลวงพ่อลืมทุกสิ่งทุกอย่างไป<ม>แล้วตอนนี้หนูก็ดูสภาพธรรมเนี่ยรู้สึกเขาปกติฮะและ้วอย่าดูแบบมัวเมาก็แล้วกันนะค่ะดูห่างๆถ้าดูแบบเข้าไปดูอย่างนี้นะใช้ไม่ได้เจ้าดูอย่างนี้ท่านี้จำไว้นะท่านาา น, านี้เจ้าค่ะจําไว้นะเวลาภาวนาเครื่องเครื่อแล้วนึกถึงท่านนี้ไว้นะ ไม่มีความสุขนะธรรมะนะมันถ่ายทอดยากมันเป็นสภาวะที่หลวงพ่อเลยต้องทำท่าทางให้ดูต้องพยายามแปลงสภาวะออกมาเป็นรูปธรรม <c oughs> อ่ะพออย่างอ่ะเหือนเจ็ดสิบสามอ่ะค่ะก็วันนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองปุงสารค่ะ ค, คิดนู่นคิดนี่ตลอดเวลาวันวอื่นก็เป็นอย่างนี้ <c oughs> มีวันไหนไม่คิดบ้างไม่มีอ่ะตลอดแล้วก็ถามคนอื่นดูเขาก็คิดตลอดเวลาเหมือนกันงั้นการที่ใจเราคิดตลอดเวลาเนี่เป็นเรื่องปกตินะนี่เพียงแต่มันคิดไปแล้วเกิดความสุขเรารู้ว่าใจเราสุขมันคิดไปแล้วเกิดความทุกเรารู้ว่าใจเราทุกมันคิดไปแล้วเกิดโลภเกิดโกรธกดเกิดหลงเราก็รู้ทันไปเลยะให้มันคิดไปแล้วใจเราเป็นยังไงเราค่อยรู้เอาไม่ใช่ฝึกไม่ให้คิดนะเข้าใจเปล่า <K an> เใ จ, เจาเอาอยากพูดรู้ว่าอยากพูดนะอ้าวแล้วไงอีกอยากอยากถามให้อาม่าด้วยอะคะะ่ะเอ้อาม่าเป็นอาม่าของไม่กล้าถามอาม่าเขาอาม่าอาม่าห่วงลูกห่วงหลานไหมคือก็ไม่มีอะไรจะถามให้หลวงพ่อก็เห็นลูกเขามีความสุขล้ามีความสุขก็สบายใจนะ้อ่าใช่ เราลักลูกลักหลานเราเนี่ลูกหลานเรามีความสุขเราก็มีความสุขใช่ฮะเราเพิ่มอีกนิดนึงเราตัวเองรู้สึกไม่เคยจะสําคัญเท่าไหร่ให้เรารู้เลยว่าเรากําลังมีความสุขอย่าเห็นแค่ลูกมีความสุขนะไม่ใช่แค่ลูกหลานมีความสุขพอเรามีความสุขด้วยเรารู้ว่าเรามีความสุขให้รู้ทันใจของเราเรื่อยๆวันไหนลูกหลานไม่มาเยี่ยมเราน้อยใจรู้ว่าน้อยใจออวันไหนหายไปนานๆเสียใจรู้ว่าเสียใจคิดถึงคิดถึง ให้รู้ทันใจเราหัดรู้ทันใจตัวเองเรื่อยๆนะแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าใจธรรมะลาพังรู้ว่าลูกหลานมีความสุขเราก็มีความสุข <Yeah. S 1> ต้องรู้เข้ามาให้ใจถึงใจ <Yeah. S 1> เห็นใจเราที่มีความสุข <Okay. S 1> วันไหนงอนลูกหลานก็รู้นะวันไหนเป็นห่วงก็รู้ กลับนมัชาการหลวงพ่อค่ะพอดีครั้งนี้เป็นครั้งแรกเราก็จะต้องเดินทางไปไกลแล้วค่ะเลยอยากทราบว่าถ้าถ้าจะต้องเริ่มต้นอย่างเงี้ยค่ะน่าจะต้องจากตรงไหนก่อนนะคะหลวงพ่อเริ่มอะไรนะจะเริ่มต้นเ้าจะทําอะไรนะถ้าจะเริ่มต้นปฏิบตัติหรือว่ารู้ใจตัวเองอะคะ่ะถ้าต้องไปไกลๆแล้วอาจจะมีแค่ซีดีของหลวงพ่ อ, อน่าจะต้องยึดตรงไหนไว้ก่อนนะคะก็อะไรเกิดขึ้นในใจเราขณะ น, นี้รู้ไปเรื่อย เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็คิดถึงบ้านเดี๋ยวก็อยากอย่างน้นอย่างนี้รู้ใจเรื่อยๆนะใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นฝึกแค่นั้นหละพอแล้วพอมันรู้แล้วมันจะชอบห้ามอะค่ะเหมือนกับว่าไม่เป็นไรไม่ห้ามมันอยากพูดให้มันพูดไปเห็นไหมมันพูดได้เองรู้สึกไหมมันพูดได้เองมันไม่ใช่เราหรอกมันพูดได้เองเวลามันโกรธมันก็โกรธได้เองมันไม่ใช่เราหรอกเวลามันจะเพลิดเพลินมันก็สนุกสนานของมันเองไม่ใช่เราหรอก คอยดูไปอย่างนี้เรื่อยๆ อ, อย่างตอนนี้มันแอบไปคิดแล้วรู้สึกไหมมันก็ไปคิดเองรู้สึกไหมคอยดูนะมันทำงานได้เองดูไปเรื่อยๆแล้วฟังซีดีนะแล้วไปดาวน์โหลดฟังได้ในเว็บ v i m u t n e t เนะเชิญกลับบ้านเชิญ